أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستقين استحی ونعوذ بالله من شرول أنفسنا ومن سيات عمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يدل له فلا هار له م ع ب فإن أسلق الحديث كتاب الله بخلال هدي هدي محمد بشعر الأ الأمور مخلصاتها وأن كل مخلصت البدع وكل بيات الدلالة أما بعـ ا ل س م ل ا م عليكم ورحمة الله وبركاته ครับพี่น้องที่รักยิ่งครับกลับมาพูดคุยในช่วงอัตถาที่บายอัลกุรอานมาทำความเข้าใจคาพูดของพระเจ้าคาพูดของผู้อัลล์กันนะครับผมถ้าพี่น้องได้สังเกตดูนะครับผม หลายหลาท่านน่าจะเริ่มมองภาพในเรื่องของวิชาตัฟซีดหรือว่าการอถาธิบายอัลกุรอานออกและท่านอาจจะเริ่มเข้าใจว่าในการที่เราจะทําความเข้าใจอัลกุรอานนั้นไม่ใช่แต่เพียงว่าเรานั้นจะแปลออกเป็นคําเป็นคําเป็นคําแล้วมันจะทําให้เราทําความเข้าใจอัลกุรอานได้แต่เราจะพบว่าในอัลกุรอานนั้นเป็นการใช้คําที่ว่า เป็นสุดยอดหรือว่าเป็นบัณฑในภาษารับก็คือเป็นทะเลเป็นมหาสมุทรที่ยิ่งใหญ่ก็คือว่าใช้คําที่น้อยแต่ว่าความหมายหรือว่านัยยะที่มันได้นะั้นมันช่างมากมายมหาศารเพราะฉะนั้นเวลาที่เราผ่านการศึกษาการอธิบายอัลกุรอานมาเนี่ยเวลาที่เราอ่านอัลกุรอานเดิมที่เราเคยอ่านมาตั้งแต่เด็กหรือว่าตั้งแต่ตอนไหนก็ตามแต่ความเข้าใจเรามันจะต่างกันค่อนข้างจะมากเลย เราจะเริ่มเข้าใจถึงความลึกซึ้งเราจะรู้ว่าอ่านอัลกุรอานนี้มันคิดได้ถึงเรื่องอะไรบ้างเป็นอย่างน้อยแล้วมันแสดงถึงความลึกซึ้งแล้วก็เป็นสิ่งอะไรบ้างที่เราจะได้ประโยชน์สุรต่านบาลัดครับก็เป็นอีกหนึ่งสุลตในคัมภีร์อัลกุรอานที่ว่ามีการใช้คําที่ว่าสละสวยงดงามทางด้านภาษาแล้วก็ใช้คําที่น้อยแล้วก็มีความหมายสื่อนัยยะที่ว่าสําหรับผู้ศรัทธาแล้วมีเรื่องให้เราได้คิดมากมาย มันเป็นเรื่องที่ว่าทําให้เรานั้นเพิ่มอิมานเป็นเรื่องที่ทําให้เรานั้นต้องระวังตัวแล้วก็เป็นเรื่องที่ทําให้เรานั้นต้องพินจพิจารณาในชีวิตที่ผ่านมาของเราแล้วก็ชีวิตต่ต่อไปของเราพี่น้องที่รักครับในสุระอัลบาลัตซึ่งตอนนี้เราพูดคุยกันเป็นตอนที่5ก็คือค่อนข้างจะยาวแต่ว่ามันเป็นเนื้อหาที่โดยเฉพาะเตือนตอนนี้นะครับก็อยากจะขอเตือนทั้งตัวผมเองแล้วก็พี่น้องที่รักเราจะมาพูดถึงหนึ่งในอวัยวะที่อันตรายที่สุดสําหรับตัวเรา แล้วก็อีกหนึ่งอวัยวะที่ว่ามันอาจจะยังประโยชน์ให้กับเรามากที่สุดด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือลิ้นครับผมในส่วนขระลัดภายหลังจากที่พวกเราได้ทรงสาบานด้วยกับการสาบานต่างๆหลังจากเริ่มด้วยกับอาดูบิลเลหิมันเชตตโนโรจีบิสมิลเลอห์มะนอโรฮิมลาอุกัิมุบฮาดลบลด و ันทัิลุมบฮาดลบลดววาลิดวมาวลดลดลนอินซานบด อาจ حسب อัลลัยย์ قدر عليه أحد يقول أهلكت مال اللبنة อาจ حسبألم يره أحدألم نجعل له عينين ولسانو وشفتين ข่าวรีบนนเลยทีมาพูดถึงอวัยวะที่อย่างที่บอกแล้วนะครับเป็นอวัยวะที่มุสลิมเรานั้นต้องระวังให้มากที่สุดเพราะว่ามันอาจจะเป็นเหตุที่อินชาลอความเมตตาของลอทาให้พวกเรานั้นได้เข้าวสวรรค์ แล้วก็ในมุมตรงกันข้ามมันอาจจะเป็นเหตุที่ทําให้เรานั้นต้องพบกับความโกรธกิ่วขอล้อซึ่งผมก็ขอความโค้งใจอ่อนล้อให้เรารอดผลด้วยเพราะท่านอับดุลเบี๋ยมสุลลองอะเลสัมได้ทรงพูดเอาไว้นะครับว่าได้พูดเอาไว้ว่าใครก็ตามที่รับประกัน2อย่างให้กับฉันได้ฉันรับประกันสวรรค์ให้เขาเลยใครก็ตามรับประกันสองอย่างให้กับฉันได้ฉันขอรับประกันสวรรค์ให้กับเขา2อย่างที่ท่านอับดุลเบี๋ยมสุลลองอะเลสลมบอกไว้ก็คือ ปากของเขาแล้วก็เรื่องความต้องการทางเพศคือถ้าใครรับรอง2 อ, อย่างนี้ได้ว่าเขาจะควบคุมมันให้ดีตามกรอบที่อัลลอฮฺเราซูลวางไว้ท่านบีรับรองเลยว่าเขาได้สวรรค์นแน่นอนแปลว่า2 อ, อย่างนี้มองมุมกลับนะครับพี่น้องแปลว่าอวัยวะสองอวัยวะนี้ลิ้นกับอวัยวะเพศเป็นสองอวัยวะที่ทําให้คนต้องลงนรกมากที่สุด นวอุดรบินไลมินดาลิขอคอมคลองจากล้ให้เรานั้นรอดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายหรืว่สิ่งที่ไม่ดีต่างๆ ท, งทั้งที่มาจากพฤติกรรมที่เราทําเองหรือว่าพฤติกรรมที่ว่าเรานั้นไปได้รับผลกระทบจากการที่ว่าไปอยู่ร่วมกับใครไปอยู่กลุ่มไหนแล้วก็ใช้ลิ้นพาเพลินหรือว่าใช้ลิ้นยาวไปจนกระทั่งว่ามืนนั้นเป็นเหตุให้ต้องมากัดกินหรือว่าทําร้ายตัว เ, เอง พี่น้องที่รักยิ่งครับเมื่อเรามาพูดถึงในอักกุรานระเนี่ยหลังจากที่พวกเราได้กล่าวว่าเราไม่ได้ทําให้เขามีตายทั้งสองข้านกันนั้นหรือพวกเราก็ได้กล่าวต่อมาครับว่าวอลิสนันนว์เชฟไตแล้วเราไม่ได้สร้างให้เขานั้นมีหนึ่งลิ้นกับสองลิมพิปากกระ น, นั้นหรือสุภาโนลล์ครับความยิ่งใหญ่ของพวกเราพวกเราสร้างเอเววาที่ว่าไม่มีกระดูกเป็นก้อนเนื้อที่ว่าไม่มีกระดูกซีว่ามันสั้นๆเนี่ยครับมันยาวประมาณสักคืบไม่ถึงคืบ แต่เป็นโอเวอว่าที่ว่ามีประโยชน์มหาศาลมีคุณอนันต์แล้วก็ในขณะเดีวยวกันก็มีโทษมหันต์ลิ้นที่ไม่เน่านะครับที่ว่ากระดิกนิดหน่อยนะครับผมทําให้ชาติบ้านเมืองดมจมก็ได้ด้วยกับลิ้นนี้หรือสร้างความเจริญก็ได้ด้วยกับลิ้นนี้นะครับผมหลิ้น2ริมฝีปากนี่คือธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนที่สูกสร้างมามักจะเป็นแบบนี้ก็คือริมฝีปากนั้นก็ใช้ในการแร้งับ ไม่ให้ลิ้นนั้นมันออกมาไม่ให้มีคำพูดอะไรออกมาส่วนลิ้นก็ทําหน้าที่ที่ว่าต่างๆนานามากมายถ้าเรามาดูความเมตตาของพวกเราอครับลิ้นเนี่ยทำหน้าที่เยอะแยะเลยนะพี่น้องลิ้นเนี่ยเป็นทั้งอว e ัยวะที่ว่าใช้ในการลําเลียงอาหารใช่ไหมพอเราเอาอาหารเข้าปากปุ๊บลิ้นก็เป็นส่วนที่ว่าช่วยลําเลียงอาหารช่วยในการทําให้มันสามารถเคี้ยวได้สะดวกขึ้นถ้ามันอยู่ผิดตําแหน่งปุ๊บล้วก็เอาลิ้นช่วยดันให้มันไปอยู่ตรงฟันให้เราสามารถเคี้ยวได้สะดวก แล้วถึงเวลาปุ๊บก็สามารถเอามาหมนุหมนๆเพื่อให้สามารถเข้าไปลงไปในคอเราได้อย่างง่ายดายมีทั้งเรื่องของน้ําลายแล้วก็มีทั้งประเด็นสําคัญหลักๆของใครหลายๆคนก็คือว่าในเรื่องของต่อมรสชาติที่ว่าทําให้เรานั้นริมรสชาติต่างๆที่ทําให้ดุนยาเนี่มันสนุกสนานมากขึ้นสำหรับเรามันอร่อยอะไรมากขึ้นสำหรับเราซุบฮาน allah watabarakallahu aslan koi digin ขอซาดีแดอลลอฮ์ Allah, ความยิ่งใหญ่นะั้นเป็นขอรับพูดที่ว่าทรงสร้างสรรค์ทุกอย่างมาอย่างงดงามแล้วก็ให้มันมีประโยชน์อย่างมากมายหลายๆอย่างที่มันเกินที่เราจะจินตนาการแค่ลิ้นครับดูเหมือนเป็นก้อนนิ้นธรรมดาแต่ว่าทั้งต่อมประสาททั้งอะเลสารภัดที่มันอยู่นั้นสุบานอัลลอฮ์ครับมันไม่สามารถเกิดขึ้นมาด้วยกับความบังเอิญได้นี่คืออีกส่วนหนึ่งที่เมื่อเราอ่านอัลกุรอานเราก็ต้องค่อยควรในสิ่งที่พว้อับพูดถึงผู้ราบพูดถึง1ลิ้นกับสองลิมฟีบาก แล้วก็ดูความยิ่งใหญ่ที่เอาล้อสร้างที่บรรจงประณีตสร้างลิ้นนี้มาเพื่อยังประโยชน์ให้ในเรื่องของการรับประทานอาหารแล้วก็ทําให้เกิดความชุ่มชื่นของคอแน่นอนครับอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญที่เป็นหน้าที่ของลิ้นก็คือช่วยในการเปล่งคาพูดเปล่งเสียงออกมาเพื่อประกอบเป็นคําเพื่อใช้ในการสื่อสารและนี่คือสิ่งที่มนุษย์นั้นทําได้มากกว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆนานา ม, มากมายเหมือนกับว่ามันจะมีงานวิจัยครับพี่น้องที่ว่าเขา พยายามฝึกให้ช้างพูดได้งานวิจัยพยายามฝึกให้ช้างพูดได้ก็คือพูดได้ในที่นี้คือไม่ใช่พูดสนทนาโต้อตอบแต่เปล่งเสียงที่ว่าเป็นคําของคนเป็นเสียงที่ว่าเป็นคําของค น, น, ง น, คงคนซึ่งงานวิจัยเนี่ยที่เขาทําเป็นเรื่องเวลาเลยก็คือทําที่เกาหลีใต้ซึ่งเขาก็ได้ข้อสรุปมาว่าช้างเนี่ยครับถ้าเกิดอยากจะฝึกให้พูดเป็นคําได้ต้องให้มันเหงาๆต้องเอามาเลี้ยงตัวเดียวอยู่ลําพังให้มันเหงาสุดๆให้มันเจอแต่คน จนมันเริ่มมีความรู้สึกว่าอยากจะพูดเสียงเรียนแบบคนเรียนแบบมันไม่เข้าใจคําพูดเสียงเรียนแบบคนซึ่งในงานวิจัยที่ผมดูก็คือว่าเขาสามารถทําให้ช้างนั้นพูดได้ห้าคำพูดได้ห้าคําง่ายๆที่มันไม่ยากเกินไม่สองไม่เกินสองเพชนะซึ่งช้างมันเปล่งเสียงไงดูไหมครับเอาเสียงออกมาแล้วใช้งวงช่วยดันเพื่อให้ได้ทิศทางลมที่ถูกต้องเหนื่อยไหมเหนื่อยครับได้ห้าคำนี่คือขึ้นคอเลย เรามาดูสัตว์ใกล้เคียงกับใกล้ที่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์ที่ว่าเรามากักจะได้ยินเสียงเป็นประจำบ่อยๆก็พวกนกแก้วพวกอะไรที่ว่าพอจะฝึกพูดได้แต่ก็ยังมีขีดจากัดแต่พอเรามาดูมนุษย์สุภาน AH mm ั่งล้อเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์มาอวัยวะของเรานั้นทั้งหมดสามารถใช้ในการเอื้อประโยชน์ให้เรามีความสุขกับดุ n y าได้มากที่สุด mm hmm. Allah สร้าง mm hmm. ทุกอวัยวะเพื่อให้เรานั้นมีประโยชน์ หรือว่ามีความสุขกับดุลยาได้อย่างเต็มที่แล้วก็ใช้ประโยชน์กับมันในดุลยาได้อย่างเต็มที่นั่นคือความเมตตาของรับแล้วก็พี่น้องที่รักสังเกตดูไหมครับเวลาพี่น้องไม่สบายไปหาหมอเนี่ยหมอมักจะบอกว่าไงครับ อ, อ้าวอาปากให้ดูหน่อยอ่าใช่ไหมครับอาปากอ่าหมอก็จะเอาเ็ก อ, าอุปกรณ์ของหมอนะครับมาดูลิ้นก่อนดูสีลิ้นว่าลิ้นมีสีปกติไหมในเรื่องปากมีสิ่งปกติไหมแปลว่า ลิ้นเนี่ยสามารถบ่งบอกถึงสุขภาพคนได้ด้วยนี่คืความยิ่งใหญ่ครับลิ้นสีออกขาวๆลิ้นออกสีซีแต่ลิ้นออกสีม่วงอันนี้คือน่าจะใกล้าตายหรือเสียชีวิตไปแล้วนะหรือว่าลิ้นสีสดอ่ะออกชมพูสวยอันนี้สุขภาพดีต่างๆนานามากไปที่ว่าเป็นสิ่งที่ว่ายังประโยชน์ให้กับมนุษย์แล้วก็เป็นแหล่งที่ว่าเชื้อโรคเข้าไปหลักๆถ้าเข้าไปทางปากก็ลงไปถึงท้องก็เอาล็อคเท่านั้นที่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ครับมาทักทายพี่น้องที่ผมรักก่อนนะครับวันนี้พี่สาวสุดที่รักของผมนะครับพี่สาวสุดสวยของผมมาทักผมด้วยนะครับว่าสารกุมเจ้าจานครับวันจุลสารมรดกตัวเลือกว่าบาร์รรอรรกแกตูครับบางท่านอาจจะบอกว่าดูอายุไม่น่าจะเป็นพี่แล้วคือจริงๆไม่ใช่พี่นะครับแต่ด้วยความรักนับถือแล้วก็เรียกกันแบบว่าไม่ถือสานะครับผมก็เลยเรียกว่าพี่สาวจริงๆเอ่อใช้เรียกจริงๆจะเรียกว่าป้านะครับผม อ่ะครับแล้วก็คุณซาด้ยินทูลครับบอกว่าหนังจ่อภาพชัดเจนอัลฮัมดุลิละครับผมกําลังคิดว่าถ้าเกิดไม่เจอคนที่ผมคุ้นเคยนี่คงจะเหงาเหมือนกันนะครับสลามาก็ไวริคุณสาลามลัตุลลอห์วะบารอกาตุอูเช่นเดียวกับคุณนะสี่พันเบดานาครับสลามาก็วไวริคุณสาลามลับตุลลอห์วะบารอกาตุอูครับคุณวันนี้กะมะหยี่รำไขแห่งห้าก้วมาพบกันอีกแล้วอัลฮัมดุลิละกับคุณมบดีนะด้วยนะครับผมกับพี่น้องทุกท่านครับที่ไม่ได้พูดคุยไม่ไไไดดด้้้้้ททททัััััักกกกกกกาาายยนนนนคคครรรรบบบ็ะะจสงศึ นิดหนึ่งนะครับผมผมก็สลับไปมานะครับพูดบรรยายบ้างแล้วก็ทักทายพี่น้องบ้างใครมีอะไรจะคุยจะเสนอจะถามก็พิมพ์มาได้อินชาลอครับผมพี่น้องครับทีนี้เรามาเมื่อพูดถึงวัยว่าปากครับเรามาพูดถึงประเด็นสำคัญก่อนอลัลลอ์ให้เราได้คุณคิดว่าอาลัลลอ์นั้นคือผู้ที่สร้างลิ้นมาให้หนึ่งลิ้นกับสองลิ้นทีปากไม่ใช่กันนั้นหรือพี่น้องจินตนาการชีวิตที่ไม่มีลิ้นออกหมครับถ้าเราตัดเรื่องพูดไปก่อน เอาแค่ชีวิตที่ไม่มีลิ้นไม่มีเรื่องของการกินไม่มีเรื่องของการบริโภค พ, พี่น้องลองคิดถึงรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ที่เวลาเราจะขับปุ๊บน้ํามันหมดเราก็เติมน้ํามันก็หล่อเข้าไปหรือในอะูซบิล่าถ้าเราคิดถึงพี่น้องที่ถูกอัลลอฮ์ทดสอบที่ว่าไม่สามารถเอาหารโดยการเคี้ยวได้แล้วต้องใส่สายยางรสชาติของชีวิตคงจะหายไปเยอะเลยเพราะนั้นทุกครั้งที่ได้ทานอาหารครับอย่าลืมก่อนทานอาหารก็บิสมิลลัตด้วยนามของอัลลอฮ์เราขอทานรู้คุณคุณขออัลลอฮ์ แล้วก็เมื่อทานเสร็จก็อัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีอัตตามานีฮะยาบาราซาปนีฮิมันไรเดะฮะลิมิงเวลาพูะขอบคุณลระแท้เราได้ทานอาหารมันไม่ได้มาจากความสามารถของเราแล้วก็เราก็ขอสำนึกในบุญคุณที่พระองค์ให้อาหารนี้แก่เราถ้ามีเจ้าภาพเลี้ยงอาหารก็อย่าลืมขอดี๋ยให้กับเขาเพราะท่านบับดุลละรรมัสยิมบอกว่าใครไม่รู้จักขอบคุณมนุษย์เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะขอบคุณพระเจ้าเป็น บางคนบอกว่ายกมือดูอาอะไรให้คนกินข้าวคนมาเลี้ยงเนี่ยมันไม่ดีมันไม่ถูกมันบิดาอะไรยังไงพี่น้องดูอาให้คนตายผิดเออขอมาพับดูอาให้คนเลี้ยงอาหารเนี่ยเป็นการขอบคุณคนที่เข้ามาเลี้ยงเพราะฉนั้นเป็นสิ่งที่ว่าเป็นมารยาทที่ إسلام ส, ส่งเสริมอยู่แล้วแต่ก็คือเราก็ขอของเราไงพอมีคนมาเลี้ยงปุ๊บขอละเมีตานะขอให้มีบรารัก้าความจำเบิรในทรัพย์สินของคุณนะขอให้คุณมีริสกีมากยิ่งขึ้นนี่คือมารยาทอิสลาม นี่คือมารยาทคำสอนอิสลามครับผมเลยเพราะบางคนกลัวเรื่องดูอาก็กลัวจ๋ากลัวจนแบบว่าชีวิตนี้แทบจะไม่เคยดูอาอีกเลยนะครับผมกาอูซบิไลมินตาลิกเรามาคุยถึงเรื่องของลิ้นครับผมพี่น้องแต่ละท่านพอพูดถึงเรื่องหัวข้อลิ้นเน่ยคงว่าอันนี้อาจารย์เอาเหัมแลคงมีเรื่องนี่จะมาดาว่าเปิ้ลหัมแลแก่หรือว่าจะไดเราเราคุยเอานาเสมอข้อมูลนะครับผม หวังว่าจะเป็นประโยชน์หลายๆเรื่องพี่น้องรู้อยู่แล้วผมมั่นใจแต่ว่าเรามาเตือนๆกันแล้วก็พยายามช่วยๆกันให้เราดีขึ้นผมผู้พูดไม่ได้ดีกว่าผู้ฟังเราพยายามนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดเมื่อพี่น้องอ่านถึงอายักษ์กุรานี้ครับว่าวอลิสเซอร์เนว์ชฟตัยสิ่งที่พี่น้องต้องคิดก่อนเลยก็คือว่าหายาณที่มาจากลิ้นมีอยู่5อย่างหายาที่มาจากลิ้นมีอยู่5อย่างถ้าเกิดในเรื่องของการพูดเฉยๆนะครับ ถ้าในเรื่องของการกินนี่ก็ไหยนะ์ก็มีเยอะแยะเลยเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บส่วนใหญ่ก็มาจากสิ่งที่กินเข้าไปนั่นแหละอ่าก่อนที่เราจะพูดถึงหายนะาณะทั้ง5ที่เกิดจากลิ้นในการเป่งลมออกมาในการพูดออกมาเนี่ยมีประเด็นที่ผมอยากจะขอฝากพี่น้องก่อนครับมีพี่น้องโทรมาถามว่าเนี่ยอาจารย์มีการลดน้ําหนักแบบอิสลามไหมอยากลดน้ําหนักแบบอิสลาม คือพูดง่ายคืออยากลดน้าหนักแบบสุนนะคือลดน้ําหนักแล้วได้ผลบุญด้วยผมก็บอกว่ามีแต่ว่าตัวผมเองผมก็ทําไม่ได้นะคือพูดกันแบบแฟร์ครับเขาบอกว่า ผ, ผู้ชายพอหรือเปล่าครับคือไม่ใช่ว่าสุนนะทุกอย่างของท่านนาบีวัสลล็อห์หรือสลามคนแต่และคนจะมีความสามารถทําได้เหมือ น, อนกันผมทําไม่ได้ก็ไม่ใช่หมายความว่าพี่น้องจะทําไม่ได้ผมก็บอกเลยว่าถ้าอยากจะทําสุนนะแบบนบีในเรื่องการบริโภคไม่ต้องลดน้ําหนักครับทานแบบนบีไม่อ้วนแน่นอน บริโภคแบบสันนบีมูฮัซซัลลอฮฺองอัลลอฮฺไม่ต้องกลัวเลยไม่อ้วนแน่นอนมีแค่สามอย่างพี่น้องทําได้สามอย่างนี้คือสุนนบีในการบริโภคอินชาอัลลอฮฺจะไม่อ้วนสุขภาพจะดีถ้าทําได้นะประการแรกคือทานวันละสองมือ้อหรือบางวันอาจจะเหลือมื้อเดียวข้อนี้แหละครับยากเกือบที่สุดแล้วบางคนบอกให้ถือสนอดเลยไหมคือไม่ได้ห่างขนาดนั้นอาจจะเป็นช่วงสายๆสิบโมง อีกที่นึงก็ช่วงเย็นหรืออะไรก็ได้ก็คือแต่ถ้าเกิดจะเนียดทีสงดไปเลยก็ได้บุญไปเลยเพราะท่านหญิงแอช้าบอกว่าครอบครัวของท่านนบีอัลกษัลลัมไม่เคยทานอาหารเกินวันละสองมือ้อเมื่อไรก็ตามที่ได้ทานอาหารสองมือ้อหนึ่งในนั้นจะเป็นเพียงอินนาลรำกับน้ำอันนี้คือไม่ใช่ว่าท่านนบีจะ IF ไม่ใช่ว่าจะลดน้ำหนักจะลดความอ้วนจะห่วงลอห ง, งสวย แต่นี่คือชีวิตที่ท่านเลือกที่จะอยู่แล้วก็ที่บรรดาครอบครัวของท่านเลือกที่จะอยู่ด้วยก็คืออยู่อย่างคนยากจนท่านอบีมีฐานะไม่ใช่หรือภรรยาก็วร่ำรวยไม่ใช่หรือทรัพย์สินทั้งหมดนั้นท่านอบีเอาไว้ให้กับโลกหน้าหมดเลยเหมือนกับตอนที่ท่านอบีถามท่านหญิงไอชั่วครั้งหนึ่งครับเมื่อท่านอบีถามเกี่ยวกับเนื้อกุรบาลท่านอบีถามท่านหญิงไอชั่วว่าเราเหลือเนื้อเท่าไหร่ท่านหญงไอชั่วบอกว่าเราบริจาคเนื้อกุราาาานไปขขึงเเหลืออีก เราบริจาคไป1 น, นึขาเหลือสาขาท่านลบีมัสเรย์เซนบอกว่าไม่ใช่เราเหลือขาเดียวต่างหากขาที่บริจาคนั่นแหละมันเป็นของเราจริงๆอีกสามขาเนี่ยของใครก็ไม่รู้ถ้าเรากินเราก็ถ่ายมันก็จบไปหรือถ้าให้คนอื่นหรืออะไรยังไงเรายังไม่รู้แต่ที่แน่นๆคือสิ่งที่บริจาคให้กับอัลละฮ์มันเป็นของเราแน่นอนนี่คือสิ่งท่านลบีสอนให้กับบรรดาครอบครัวของท่านซึ่งครอบครัวของท่านครับท่านก็ เราเดียวเราอันหัวฉมินทั้งภรรยาของท่านก็คือบรรดาแม่ของผู้ศรัทธาแล้วก็ทั้งลูกทั้งหลานของท่านก็อยู่อย่างสมถาะาครับเพราะฉะนั้นอยากลดน้ําหนักอยากลดความอ้วนแบบสุนนะเนียดดีๆทานอาหารวันละสองมือ้อข้อแรกน่าจะทํายากน่าจะทํากันยากยุคสมัยนี้อาหารการกินมันเยอะมีของวานมีอะไรสารพัดเอาเหลือทางเลือกอีกสองข้อบริโภคแบบสุนนะได้ผ ล, ลบุญแบบที่ท่านนบีวัสสลอมฮุลิสลัมทำ เอาล้อรักด้วยเราบอกว่าเราอยากทําเพราะเรียนแบบท่านอบีข้อที่2ครับยากน้อยลงมานิดหนึ่งยากน้อยลงมานิดหนึ่งก็คือห้ามกินข้าวให้อิ่มห้ามกินข้าวให้อิ่มเกินไปเรารู้กันมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกแต่เด็กแต่น้อยใช้เวลาทานข้าวหน่ยให้แบ่งกระเพาะเป็น3ส่วนส่วนอาหารส่วนน้ําแล้วก็ส่วนลมก็คือเวลาทานอาหารแบบนบีต้องไม่มีการเรอเลย เลือปกติคือเลือดปกติคืออาหารอากาศไม่มีที่อยู่โดนอาหารกับน้ําแย่งที่อากาศเลยต้องออกมาทานข้าวไม่ให้อิ่มข้อนี้ก็ยากข้อนี้ก็ยากเอาข้อสุดท้ายครับผมก็ไม่รู้ข้อไหนยากกว่ากันนะแต่พี่น้องท่านใดอยากลดความอ้วนอยากสุขภาพดีอยากทําตามซุนานะมีในเรื่องบริโภค3ข้อนี้ข้อสุดท้ายก็คือเคี้ยวนานนานบางท่านบอกอาสะดวกอันเชียวแล้วบางท่านนี่คือ เคียวนานอยู่แล้วเป็นซุนนะนะบีครับเป็นซุนนะนะบีซึ่งข้อสองเนี่ยที่ว่าบริโภคนี้น้อยนะครับพี่น้องที่รักสิ่งที่ว่ามุสลิมเรามักจะมองข้ามไปท่านอบีมศุสสลส์ละสัมบอกว่าอาหารสำหรับคนหนึ่งคนสามารถกินได้สองคนอาหารสําหรับสองคนสามารถกินได้3มคนแปลว่าจริงๆแล้วอาหารที่เราเตรียมมาที่เราคิดว่าจะกินเนี่ย ท่านนบีมุส ล, สลิมบอกว่าที่เราจะกินให้อิ่มเนี่ยแบ่งไปเลยครึ่งหนึ่งมันก็พอเพียงแล้วสําหรับเราซุบานลอลาชีวิตความเป็นอยู่ของท่านนบีนี่คือสุนนะนบีถ้าเกิดว่าใครว่าอยากจะทำตามท่านนบีจริงๆลองดูในเรื่องของการบริโภคทําเท่าที่ทําได้ได้แค่ไหนแค่นั้นสองมื้อมันยากอาก็ลองดูแบบพยายามกินไม่ให้อิ่มกินไม่ให้อิ่มไม่ให้ยากก็ลองเริ่มจากเคียวนานๆซึ่งทั้งสข้อเนี่ย ถ้าพี่น้องไม่สนใจบอกว่าฉันไม่อยากทําตามสุนัไม่อยากทําอะไรสมข้อนี้การแพทย์ก็รับรองรับรองทั้งสาข้อเลยว่าเป็นประโยชน์กับร่างกายพี่น้องไปดูคนปัจจุบันต้องไปเสียเงินต้องทำไอ F ต้องไปกินผักต้องไปทําอะไรสารพัดคําสอนของอิสลามนั้นชัดเจนเราไม่ได้เน้นในเรื่องของดุนยาเราเน้นในเรื่องที่ให้อัลลอฮ์รักเพราะนั้นอาหารถ้ามี ใครก็ตามถ้าคุณลดน้ำหนักหรือถ้าคุณห่วงสุขภาพถ้าอะไรก็ตามเป็นเหตุให้คุณทิ้งอาหารนั่นคือสิ่งที่คุณต้องไปเสียใจในโลกหน้าคุณต้องไปตอบกับอัลลอฮ์ว่าทําไมคุณถึงทิ้งอาหารถ้ามาเป็นอาหารที่ฮาลาลลันตอยิบันหน้าที่เราไม่ใช่บอกว่าฉันกําลังไอออยู่คือถ้าเราไม่กินต้องทิ้งวายิบต้องกินเพราะไม่งั้นอาหารนั้นจะไปฟ้องเราต่อหน้าอัลลอฮ์เพราะนั้นมุสลิมเราห่วงสุขภาพได้แต่เราต้องห่วงอัลลอฮ์ก่อน ถ้าจะห่วงสุขภาพก็เตรียมอาหารให้มันพอดีถ้ามันเยอะยังไงก็ต้องกินให้หมดครับยังไงก็ต้องกินให้หมดอันนี้ก็เป็นทางสายกลงระหว่างคนเน้นสุขภาพแล้วก็อยากให้เอาลออรักนี่เรื่องของการใช้ลิ้นครับถ้ฒนชาชัลิ้นมากกว่านี้มีปัญหาแล้วเพราะท่านอับดุลเบี๊ยงมัสยิดสซาบลอมามารับหนูอาได้มาวิอันชารอนมิบิตมีฮีไม่มีภาชนะใดที่ลูกหลานอาดัมชอบยัดให้มันเต็ม ท่านอบีมมัสเลยสมบอกว่าไม่มีภาชนะใดอีกแล้วที่ลูกหลานของอาดัมชอบจะยัดมันให้เต็มที่มันจะเดือร้ายยิ่งไปกว่าท้องของเขาที่มันจะเดือร้ายไปยิ่งกว่าท้องของเขาเพราะท่านอบีประนามคนที่ว่ากินจนอิ่มหรือว่ากินจนไม่เลือกว่าจะเอาเงินมาจากวิธีหาราหรือไม่ใช้รูปแบบใดอย่างไรเพราะ น, นั้นเรื่องกินถ้าจะคุยยาวครับเรากลับมาประเด็น าหายนะทั้งห้าที่เกิดจากลิ้นที่ไม่เกี่ยวกับการกินดีกว่านะครับถ้ามีโอกาสเราคงได้คุยในเรื่องของการกินครับผมแวะมาทักทายพี่น้องอีกสองขั้ครับเข้ามาครับคุณญาญ่าทักระเบียบภาพเสียงชัดเจนข้อนหนึ่งจากสา ร, รยาพร้อมเรียนรู้อัลฮัมดุลิละขอร่อมิตาครับผมเช่นเดียวกับคุณส ร, รณีโตเอ็มนะครับภูเก็ตชัดเจนค่ะทั้งภาพและเสียงอัลฮัมดุลิละบารัคัลลอฮฺฟิคุบะบารัคัลลอฮุฟีิคุมอัชมัยยินครับผมขอบคุณพี่น้องครับผู้จริงๆครับพี่น้อง ช่วยในการให้กําลังใจผมค่อนข้างจะมากเลยนะครับมันทําให้ไม่เฉาเกินไปอย่างที่ผมย้ําเป็นประจําก็คื อ, อปกติผมไลฟ์เนะี่ยก็มีผมกับกล้องแค่นั้นนะครับผมคือบางทีมันก็รู้สึกแอบว้าวเหวบ้างนะครับผมอันนี้แอบพูดกันเบาเเนาะหายนะทั้ง5ครับหลังจากที่เราได้พูดไปแล้วว่าท่านอับดุลเบี๊ย์มัสลัมบอกว่าใครรับประกันลิ้นกับรับประกันอารมณ์ความเพียรได้ฉันรับประกันสวรรค์ให้กับเขาเลยก็แปลว่าครึ่งหนึ่งของเหตุที่จะทําให้คนลงนรก เกิดมาจากลิ้นลิ้นทั้ง5ประการนี้ที่ว่าเราต้องระวังให้ดีครับผมต้องระวังให้ดีประการแรกครับเป็นสิ่งที่แพร่หลายมากที่สุดโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ว่ามีอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นสื่อที่อันตรายมากสุ ด, สดเลยคือถ้าใช้กับประโยชน์นี่คือประโยชน์มากมายครับอย่างเราใช้ในการศึกษาพูดคุยเรื่องศาสนา ทำสิ่งที่ดีงามทําในเรื่องของธุรกิจค้าขายที่ฮารานนั่นคือสิ่งที่ดีงามครับแต่ว่าพยันตลายอันดับหนึ่งที่มีการใช้กันมากที่สุดก็คือการพูดเรื่องของชาวบ้านอย่างเวลาข่าวถ้าพี่น้องดูนะครับพวกข่าวธุรกิจหรือว่าเป็นเรื่องข่าวเทคโนโลยีส่วนใหญ่จะไม่มีข่าวไหนสู้พวกข่าวซุบซิบได้ข่าวซุบซิบนี่มักจะอยู่เป็นอันดับแรกพูดถึงเรื่องข้อเสียของชาวบ้านคนนั้นหยากรับคนนี้คนนี้จะแต่งกับคนนั้นคนนั้นไปตบคนนี้คนนี้ อะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องไม่ดีของคนอื่นเนี่ยธรรมชาติของคนเนี่ยชอบพี่น้องครับผมกาลังพูดถึงการที่เราไปพูดถึงเรื่องจริงของใครสักคนที่เจ้าตัวไม่ชอบอย่างปกติเรื่องชีวิตคู่ไม่ค่อยมีใครอยากให้มารู้ในเรื่องไม่ดีของชีวิตคู่ของตนเองใช่ไหมครับหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามแต่คือไม่มีใครอยากให้ใครเอาเรื่องไม่ดีของเราไปพูด เรารู้วมันเป็นความจริงแต่เราก็ไม่อยากให้ใครเอาไปพูดถูกไหมครับใจเขาใจเราเราไม่อยากให้เขาเอาไปเราก็อย่าเอาของเขามาท่านบีุมมัสอัลลอยสัลามครับได้เตือนไว้ฮะดิษมีมากมายเราเริ่มด้วยกับอัลกุรอานก่อนเราเริ่มด้วยกับอัลกุรอานเพื่อลอกกาวไว้ในสรักฮุจาร้อนอายะที่ออ12ครับว่าวลายกตบะดุคุมบะโดอายุให้หัดุกุมอยะพุละห์มาอัคีฮไม่ตันฟการิตุมู พวเรากล่าวคาว่าแล้วพวกเจ้านั้นจงอย่าได้พูดถึงสิ่งที่อีกฝ่ายไม่ชอบบ้านเราชอบพูดว่านินทาแต่คาว่านินทาภาษาไทยความหมายมันกว้างไปนิดนึงนินทานี่คืออาจจะรับหลังก็ได้ถูกไหมครับส่วนใหญ่จะเป็นรับหลังแต่คําว่ารีบ้าในภาษาลาบเนี่ยต่อให้เป็นต่อหน้าก็ตามคืออย่าไปพูดอะไรที่เจ้าตัวไม่ชอบไม่ว่าจะต่อหน้าเขาหรือว่ารับหลังเขาอย่างคนคนหนึ่งครับเขากําลังมีปัญหาครอบครัวกําลังจะเลิกกัน คนก็ไปเป่าไปโม้ไปโพธนาไปคุยกันสนุกสนานบอกว่าเนี่ยเนี่ยนะคนนี้จะเลิกกันเลยเกิดมีปัญหาเนี่ยจับได้หรืออะไรก็ตามแต่เวลายักตา บ, บาดุกุมบาดอปส่วนหนึ่งของพวกท่านเนี่ยจงอย่าได้พูดสิ่งที่อีกส่วนหนึ่งไม่ชอบความจริงของอีกส่วนหนึ่งที่เขาไม่ชอบคนหนึ่งคนดใดลิภูของพวกท่านเนี่ยชอบหรือที่ว่าจะกินเนื้อพี่น้องของเขาที่ตายไปแล้ว กินเนื้อคนนี่ไม่ใช่ธรรมชาติคนถูกไหมครับเนื้อคนนี่ไม่มีใครอยากกินเนื้อนั่นเป็นเนื้อคนที่เป็นเนื้อพี่น้องเล้อีก2ต่อเลยนะเนื้อคนไม่มีใครอยากกินเป็นเนื้อพี่น้องอีกคนรักกันทํำไมถึงกินกันแล้วก็เป็นพี่น้องที่ตายไปแล้วสามเด้งครับพี่น้องพวกเราบอกว่าการที่พูดถึงเรื่องที่อีกฝ่ายไม่ชอบหรือจะเป็นการตั้งฉายาหรืออะไรก็ตามแต่อย่างเช่นเราอาจจะบอกว่าไอ้เนี่ย ใครสักคนอนลลอร์จะทดสอบให้เข า, เาขาเป๋แล้วก็บอกเนี่ยไอ้เป๋มาแล้วเนี่ยเป๋เป๋เ ป, เ ป, เป๋หรือว่าไปพูดแล้วก็สนุกขบขันตลกขบขันกันถ้าเจ้าตัวไม่ชอบนั่นคือรีบาซึ่งพวกลอปเปียบเทียบ ว, ว่าเหมือนกับการที่เรานั้นกินเนื้อของพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้วเนื้อของพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้วฟอกริตูมูพี่น้องที่รักครับ เราเริ่มจากประการแรกหายั้นแรกที่เกิดมาจากหลินการพูดเรื่องของใครสักคนที่เจ้าตัวไม่ชอบถือเป็นบาปใหญ่ไม่ใช่บาปเล็กนะถือว่าเป็นบาปใหญ่บาปใหญ่แปลว่าอะไรบาปใหญ่คือว่าด้วยตัวของมันเองเพียงพอแล้วที่จะเป็นส่วนที่ทําให้คนที่ทํามันนั้นหลงนรกนี่คือบาปใหญ่คือตัวมันตัวเดียวเลยทําแค่มันอย่างเดียวครั้งเดียวนะ่ะเพียงพอแล้วที่จะทําให้คนคนนึงนั้น ตกไปในไฟนรกบางท่านอาจจะบอกว่าเวอร์พี่น้องที่รักครับครั้งหนึ่งในหมู่ภรรยาของท่านนบีมัสโลลอยสลับแม่ของผู้ศรัทธาอย่างที่เรารู้ผู้หญิงก็มีเรื่องของความหึงหวงก็มีเรื่องให้ว่าท่านนบีนั้นก็ต้องมีการอบรมสั่งสอนเพราะเป็นหน้าที่ของพ่อบ้านหน้าที่ของสามีซึ่งภรรยาของท่านนบีแม่ของพวกเรานั้นก็เชื่อฟังท่านนบีอยู่แล้วคือพอไม่รู้ท่านนบีบอกให้รู้ก็ฟัง มีครั้งหนึ่งที่ว่าเป็นความผิดพลาดของแม่ที่รักของเราครับก็มีแม่ท่านหนึ่งก็พูดถึงผู้หญิงอีกคนหนึ่งภรรยาอีกคนหนึ่งของท่านอาบีบอกว่ายาระซูลล้อเนี่ยท่านอย่าไปยุ่งกับนางคนนี้มากๆเลยนางหนมนเตี้ยใช้คำว่าเตี้ยอันนี้แหละครับคือรีบะรีบะพูดถึงใครสักคนในสิ่งที่เขาไม่ชอบอีกสายงานบอกว่าใช้คาว่าดํานางนี่ยดำมายุ่งกับคนข า, ขาวๆอย่างพวกฉันดีกว่าพวกหนูดีกว่า คือเป็นเรื่องของความอิจฉาที่แฉบางทีผู้หญิงบางทีปากพูดไปใจไม่ทันได้คิดแต่พี่น้องที่รักท่านนบีมุสลอมอิลสลามบอกว่าไอช้าเอ๋ยก็คือภรรยาของท่านนบีที่เผลอพูดนี่แหละที่อย่างไอช้าอย่างที่เรารู้คือเพราะนางอายุน้อยมากตอนแต่งงานกับท่านนบีเพราะนั้นเรื่องที่นางไม่รู้หน่อเยอะเรื่องที่นางต้องเรียนรู้หน่อเยอะซึ่งก็เรียนรู้ตลอดชีวิตกับท่านนบีมสุสลอมอิสลามเป็นภรรยาที่นบีรักมากที่สุดท่านนบีมุสลอมบอกไอช้าเอ๋ย คำพูดที่เธอพูดมาเนี่ยที่บอกว่าเตี้ยหรือที่บอกว่าดำเนี่ยคำพูดประโยคเดียวเลยหากว่าเธอหากเอาล่ะเอามันนั้นไปหยดใ น, ในทะเลน้ำทะเลนั้นจะเน่าหมดเลยคำเดียวคำเดียวจากอารมณ์บางทีอาจจะคึกอาจจะอะไรก็ตามแต่เตี้ยหรือว่าดำท่านอบีบอกว่าคำคำเนี่ยไปหยดใ น, ใ น, ในทะเลนี่คือน้าทะเลนี่คือ เน่าหมดเลยสิ่งมีชีวิตอยู่ไม่ได้ตายหมดถ้าเปลี่ยนให้มันเป็นหยดน้ําได้หยดนงบ น, นผืนแผ่นดินจะไม่มีอะไรสามารถปลูกได้อีกเลยด้วยกับคำพูดคำเดียวไม่ถึงประโยคคํคำพูดคำเดียวนี่คือรีบาซึ่งเป็นบาปใหญ่แล้วพี่น้องลองมาคิดถึงชีวิตเราในแต่ละวันสุบานอัลลอฮ ถ้าแค่คำพูดเดียวของแม่ของผู้ศรัทธาที่พลาดพูดมาเนี่ยท่านอาบีบอกว่ามันเป็นบาปใหญ่ถึงขั้นว่าหยดลงไปในทะเลเน่าหมดแล้วคำพูดของพวกเราแต่ละวันแหละบางทีเจอเพื่อนเราทักด้วยกับชื่อแย่ๆทั้งนั้นแหละอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรก็ตามแต่อาจจะเป็นสัตว์มีเขาหรืออาจจะเป็นสัตว์ที่คานอยู่กับพื้นหรืออะไรก็ตามแต่ที่เราเรียกบางทีเราก็บอกไอ้เนี่ยทำไมมันโง่เหมือนอย่างนั้นทําไมมันอย่างนี้ทําไม พูดด้วยคำที่เขาไม่ชอบที่เรียกว่ารีบะบาปใหญ่แต่ละวันซึ่งผมย้ำกับพี่น้องนะคะว่าบาปใหญ่คือบาปที่ว่าด้วยตัวของมันเองเพียงอันเดียวก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เรานั้นพบกับความกดกิ้วของอารอนแล้วแต่ละวันละ่ะนี่ผมยังไม่นับถึงคนที่ว่าไปดูตามหน้าเฟซแล้วก็ไปเจออะไรที่พูดไม่ดีและสะใจไปกดไลค์บอกอยากกระทึบไลค์หรือว่าอยากไปกดแชร์หรือว่า ทั้งหมดเกี่ยวหมดเลยนะต่อให้เราไม่ได้โพสแต่เราไปกดไลค์เราไปกดแชร์เราไปพูดคุยต่อมันคือบาปใหญ่ที่เกิดขึ้นจากลิ้นซึ่งปัจจุบันจากลิ้นก็แปลสภาพไปกลายเป็นข้อความที่อยู่ในโลกออนไลน์ซึ่งแต่ละวันมีการด่ากันเยอะแค่ไหนพี่น้องคิดดูนะอูซบิลาาลมีการนินท้ากันมากแค่ไหนไม่มีใครรู้นิเกตผลที่ว่าเราต้องขอเตาบาทุก วันตลอดเวลาไม่ใช่แค่ทุกวันนะละหมัดวันละห้าเวลานี่ต้องขอเตาบ้าตลอดเวลาถูกไหมครับพวกเราขอไปโทษตลอดเวลาเพราะว่าพี่น้องที่รักครับมันเป็นเรื่องอันตรายนะมันเป็นเรื่องอันตรายแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ว่าเหมือนกับเรามองว่ามันเป็นเรื่องเบาๆกันนะครับการที่ว่าเอาอะไรไม่ดีไม่งามของใครสักคนเนี่ยมาพูดครับพี่น้องที่รักครับ ซาบะที่อยู่กับท่านอบีเนะี่ยครั้งหนึ่งท่านอบีได้ถามเขาเหล่านั้นว่าพวกท่านรู้ไหมว่ากีบ้าคืออะไรซาบะบอกว่าอ al ัลลอฮฺวะราะซุลมอัลลอฮ์และศาสนาพูของพระงเท่านั้นที่รู้ท่านอับดุลเบี๊ย์มัสยิดส์สลามก็บอกว่าดิกรู้แกอัคคอกาบีมายะคราะการที่คุณพูดถึงพี่น้องของคุณในสิ่งที่เขาไม่ชอบนี่แหละคือบาปใหญ่ที่ว่าบาปใหญ่อันแรกที่ว่าเป็นหายนะที่เกิดจากลิน้น ว่าอินลำยาคุณฟีฮีมาตะคุนฟกต์บาฮัตตะหูแต่ถ้าหากว่าสิ่งที่คุณพูดนั้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่คุณได้ใส่ร้ายเขาแล้วคุณได้ใส่แล้วเขาแล้วนี่คืออยู่ในบันทึกหยันมุสลิมเรื่องใส่ร้ายเป็นหายาณะที่สองเดี๋ยวจะคุยกันอันนี้หายนณะแรกอยู่หายาณะแรกที่เกิดจากลิ้นครับก็คือการพูดสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ชอบครับผมซึ่ง มันเป็นโรคของหัวใจครับพี่น้องการที่ว่าไปพูดสิ่งไม่ดีที่ว่าคนอื่นที่เขาไม่ชอบเนี่ยแล้วเราสะใจเนี่ยหรือบางทีเอาไปพูดเป็นเรื่องตลกขบขันในกลุ่มเ ย, ะ ย, ะยะาะเย้ยถักขางกันแล้วก็หัวล้ะ ก, กันทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหน้าหลังเป็นมารยาทที่ขออาภัยถ้าผมใช้สับแปลงนะครับแต่ถือว่าเป็นมารยาทที่ซามในการเป็นมุสลิมถึงขั้นนั้นเลยถึงขั้นนั้นเลยครับเหตุหลักๆครับที่ทําให้คนพูดแบบนี้หลักๆเกิดจากอะไรครับ ความอิจฉาริษยาหรือว่าความโกรธโกรธด้วยกับอะไรสักอย่างอิจฉาริสยาด้วยกับอะไรสักอย่างหรือว่าอยากจะเอาคืนอยากแก้แค้นถูกไหมครับหลักๆเราจะพูดถึงเรื่องไม่ดีของใครสักคนเนี่ยแรงผักดันอิจฉาทิษยาโกรธเกียดอยากแก้แค้นหรือหรืออันสุดท้ายน่ากลัวที่สุดขอล้อคุ้มครองพวกเราให้รอดพ้นครับหรือธรรมชาติของเราเป็นคนอย่างนั้น ธรรมชาติของเราเป็นคนที่หยาบคายอย่างนั้นคนที่ชอบในเรื่องของบาปใหญ่เช่นนั้นซึ่งในะอุศบินลายมีอะไรทีขอร้อคุ้มครองเราให้เราพ้นจากการมีมารยาทที่เลวร้วายนั้นผมไม่อยากจะพูดไปถึงว่ า, า จ, จะได้รับการอบรมสั่งสอนที่ไม่ดีบางทีอาจจะแบบว่ามีตัวอย่างที่ไม่ดีพ่อแม่ก็ชอบนินทาใส่ร้ายหรือว่าอะไรลูกก็เลยติดถามว่าเป็นไปได้ไม่เป็นไปได้ครับบางทีลูกเอาพ่อแม่เป็นแบบอย่างเห็นพ่อแม่พูดไม่ดีใส่ใครปุ๊บ ก็เรียนแบบบางทีพ่อแม่ก็ชอบหารู้ไม่ว่ากำลังสอนลูกให้เสียคนขาความเจม้าเลาะครับต่อไปครับเรามาดูถึงเรื่องอันเนมีมะอันมีมะคือการพูดในสิ่งที่ว่าเขาไม่ได้เป็นอันมีมะการพูดในสิ่งที่เขาไม่ได้เป็นบอกกับพี่น้องก่อนนะหายนะจากลิ้นสามข้อแรกเนี่ยอันแรกคือรีบะการพูดในสิ่งที่เขาไม่ชอบ อันที่สองเนี่ยมีไหการพูดในสิ่งที่มันไม่ใช่ความจริงอันที่สอันลก็รดับคือการใส่ร้ายมันมีสามระดับพูดสิ่งที่เขาไม่ชอบพูดในสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงแต่ยังไม่ถึงขั้นใส่ร้ายโกหกใส่เขากับอันที่สนี่คือใส่ร้ายใส่ร้ายนี่คือตั้งใจเลยอันที่สองนี่คืออาจจะไม่ตั้งใจอาจจะได้ข้อมูลที่ผิดแล้วก็โยนต่อไป จากท่านหูใจฟ้าครับรายอมรอวันหูก็อน ล, ล้ราสูรอลั่งรอ้สำและพี่น้องระวังนะระวังนะเมื่อกี้เราพูดว่าเป็นบาปใหญ่ใช่ไหมเป็นเหตุให้ลงนรกเลยใช่ไหมหะดิษบทนี้ในบันทึกไคมาบุคเขาลีไมามุสลิมท่านนับดุัเบิดบอกว่าล่ยาเดคูลุนเจนนตตาแล่ยเดคูลุนเนตานมามุนคนที่ว่าพูดโกหกใส่คนอื่นเอาเรื่องไม่ดีของคนอื่นมาพูดแล้วมันดันไม่ใช่ความจริง ท่านอบีมัสตาร์บอกว่าเขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์ครับนะอูซบิลามินดาลิกเรื่องใหญ่ไ้ยพี่น้องเรื่องใหญ่นะแล ะ, ะเด็กคนอจะแนะนำแม่จะไม่ได้เข้าสวรรค์อันแรกก็หนักแล้วนะบาปใหญ่นะเอาเรื่องไม่ดีของใครมาพูดบาปใหญ่เป็นเหตุให้ลงนรกได้แต่ถ้ารอดเมตาก็อาจจะรอดอาจมีโอกาสได้เข้าสวรรค์แต่นำแม่คือคนที่เอาเรื่องของคนอื่นมาพูดแล้วมันไม่ใช่ความจริงปัจจุบันเยอะ มากครับผมปัจจุบันเยอะมากได้ข่าวมาแล้วนี่มันอาจจะเป็นคนไม่ดีแล้วเนี่ยมันมันสองคนเนี่ยคู่สามีภรรยามันต้องมีปัญหาแล้วเอาเรื่องไปแพร่กระจายทั้งทั้งที่ยังไม่ได้ตรวจสอบว่ามันจริงหรือไม่จริงไอคนนี้มันน่าจะทำซินาแหละไอนี่มันน่าจะรักขโมยแหละนี่มันเป็นคนชั่วแหละนี่มันเป็นคนไม่ดีแหละนี่มันตกศาสนาแหละนี่มันอะไรก็ตามแต่ท่านบิอุสนาพูดสั้นๆง่ายๆลายะเดอฮูลันนะน่าจะไม่ได้เข้าสวรรค์ พี่น้องจะเสี่ยงไม่หล่จะเอาความสาใจเล็กน้อยเวลายิ่งปัจจุบันครับเวลาที่มีการถกกันในวิชาการเดี๋ยวนี้มันมีวิชามานเยอะขึ้นขอรักคุมของพวกเราให้หอดพ้นจากการอยู่ในกลุ่มของวิชามานวิชามานก็คือมันเลยเถิดจากการถกนําเสนอในเรื่องของข้อมูลมันไปเล่นที่ตัวบุคคลซึ่งมันไม่ได้มีการผลประโยชน์ในการพูดคุยเลยแล้วบางทีเรื่องที่เอามาพูดเนี่ยครับขั้นต่ําเป็นขั้นรีบ้าแล้วบาปใหญ่ละหนักกว่านั้นก็คือเป็นนมีมะ เป็นการพูดถึงแล้วมันดันไม่จริงซึ่งท่านอาบีบอกว่าไม่ได้ข้อสวรรค์พี่น้องมันเรื่องเรื่องเล่นๆหรือเปล่าล่ะมันเรื่องเล็กไหมไม่เล็กเลยนะยังมองว่าเล็กกันอยู่หลายๆคนยังมองว่าเล็กยังสะใจเวลาเจออาจารย์คนนึงพูดแดงพูดดีเหลือเกินพูดหนักเนี่ยฉันชอบเหลือเกินเนี่ยตักฟีดคนไปทั่วบอกคนนั้นเป็นการเฟดคนนี้เป็นการเฟดอุ้ยสะใจ นะอูซบ no, ินแลมินดาล็กเลยเพราะการพูดเป็นกาเฟสนะครับผมพี่น้องผมเจอหลายเคสมากผมขอเตือนพี่น้องที่รักเลยนะใครไปกดไลค์กดแชร์รีบไปยกเลิกทันทีนะครับถ้าเจอใครที่ว่าชอบตักฟีสคนอื่นไปบอกว่าคนนั้นเป็นกาเฟสคนนี้มันนอกลูก่นอกทางนี้มันนอกศาสนาพี่น้องระวังตัวนะระวังตรงไหนครับท่านอับดุลเบี๊ยงมัสยิดสั่งบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มุสลิมคนนึงบอกกับพี่น้องของเขาว่าเป็นกาเฟส ต้องมีหนึ่งคนเป็นกาเฟสเลยอีกครั้งหนึ่งท่านบีวอัลสลัมบอกว่าเมื่อมีคนหนึ่งพูดกับอีกคนหนึ่งที่เป็นมุสลิมทั้งคู่ว่าคุณเป็นกาเฟสคุณตกศาสนาคุณอยู่กลุ่มนอกลีดหรืออะไรก็ตามแต่ต้องมีคนหนึ่งเป็นหมายความว่าถ้าเกิดคนที่ถูกว่าไม่ใช่คนที่ว่าจะกลายเป็นกาเฟสทันทีพี่น้องมันน่าเสียงไหมล่ะ ที่ว่าไปชอบของแรงที่ว่าไปชอบเล่นอะไรแรงๆอย่างนี้แล้วก็สะใจไปกระถืบไลค์ไปกระทืบแชร์โลกหน้าเนี่ยเอาตัวรอดไหวกันไหมอันนี้ที่ผมเตือนนะครับที่ผมเตือนศา ส, สนาของอัลลอฮ์เราต้องระวังให้ดีอันไหนชัดเจนชัดเจนไปตามนั้นครับแต่อันไหนมันแค่เป็นความไม่เข้าใจกันเป็นเรื่องที่ว่ามันผิดเป็นเรื่องที่มันคาดเคลื่อนแล้วไปรีบผูกกลมคนเนี่ยคนที่ฮุกลมส่วนใหญ่โดนก่อน คนที่อุกมส่วนใหญ่เดินก่อนแล้วใครมีส่วนไปกดไลค์กดแชร์ก็ต้องรับตรงนั้นไปด้วยอันนี้คือสิ่งที่ผมเป็นห่วงพี่น้องแล้วก็ขอเตือนนะครับเพราะว่ามันมันมันเยอะขึ้นมันเยอะขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าใครม่อะไรกับผมนะครับถ้าเกิดว่ารู้สึกผิดรู้สึกแย่อะไรไม่ต้องมาขอมาผมผมให้ภัยทุกท่านอยู่แล้วนะครับผมส่วนถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ว่าดึงดันหรือว่าอะไรก็กอลล็อกลามนะครับก็หวังความเมตตาจากกอลล็อครับเราทุกคนหวังความเมตตาจากพวกกอลล็อครับผม พี่น้องที่รักยิงครับเราบอกว่านามีมาเนี่ยมันหนักถึงขั้นว่าท่านนบีมุสลิมบอกว่าไม่ได้เข้าสวรรค์ไม่ใช่แค่ไม่ได้เข้าสวรรค์คนที่นามีมะคนที่ว่าพูดถึงเรื่องไม่ดีของคนอื่นซึ่งมันไม่ใช่ความจริงที่มันไปทำลายเกียรติยศของเขาที่มันไปทำลายความรู้สึกของเขาที่มันไปทำให้เขาเกิดความเสื่อมเสียไม่ใช่แค่ไม่ได้เข้าสวรรค์ แต่ท่านอบีมัสลลององอะลยังรับรองว่าเขาจะต้องถูกลงโทษตั้งแต่ในหลุมฝังศพนาอูดอบิไลเมนเดร็กพี่น้องจาได้ไหมล่ะเหตุการณ์ที่ท่านอบีมัสละลองของอะเลสลเดินผ่านหลุมศพสองหลุมท่านบีมัสละลำอร่อยท่านรู้ครับท่านอับีบอกอะไครับอินนาหูมาลาอัลดาบานีวะมาอัลดาบานีฟีกาบีริสองหลุมเจ้าของสองหลุมเนี่ย กำลังถูกลงโทษตอนนี้เลยตอนที่ทนาบีเดินผ่านเอาไว้ให้ทานาบีรู้เลยว่าสองหลุมนี้กำลังถูกลงโทษอยู่เขาทั้งคู่ไม่ได้ถูกลงโทษในเรื่องที่คนคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่คือถูกลงโทษในเรื่องที่ใครคิดว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องที่มันไม่น่าจะสีเรียสอะไรหลุมแรกครับเวลาขับถ่ายเวลาปัสสาวะเนี่ย ไม่รักษาความสะอาดไม่ทําให้มันมิดชิดเรียบร้อยชอบประเจิดประเจิดหรือว่าชอบทําแล้วให้มันสกโปกแล้วถึงเวลาก็ไปละหมาดไปทําอะไรต่อปัสสาวะไม่เรียบร้อยโดนลงโทษตั้งแต่ในหลุมฝังศพนิทานบีวัสรำเตือนเตือนผมก็เลยต้องเตือนตัวผมกับเตือนพี่น้อง ท, ทุกท่านส่วนหลุมที่สองครับขอชอบเดินไปนะมีม้าชาวบ้านนี่แหละเดินไปพูดเรื่องที่ไม่ดีของคนนั้นคนนี้ซึ่งมันไม่ใช่ความจริง สองอย่างเลยนะในหนุมฝังศพโดนลงโทษเลยแล้วก็ไม่ได้ข้อสวรรค์เมื่อไม่ได้เข้าสวัสด์ก็แปลว่าต้องถูกลงโทษในไฟนรกนาอูจะบินลายมิเตอริกขอเลาะคุ้มครองพวกเราทุกคนให้รอดพ้นครับถ้าเกิดใครที่ผิดพลาดตรงนี้ก็ถ้าเป็นไปได้นนะก็ไปขอมาอัพนะครับคนที่เราไปล่วงเกินเขาหรือถ้าเกิดว่าเจ้าทุกเขาไม่ยกให้เราก็เตรียมความดีเยอะๆไปให้เขาโลกหน้าแล้วกันครับทําได้แค่นี้จริงๆหวังความเมตตาจากกอลล็อ เตรียมความดีไปบริจาคเยอะๆหวังว่าราัตจะเมตตาพี่น้องเห็นไม่ล่ะว่าลิ้นเล็กๆเนี่ยสั้นๆเนี่ยถ้าสติไม่มีถ้ามันไม่ช่วยดูแลเนี่ยหายานะแบบหนักเลยเราไม่ได้พูดถึงดุญยานะหายนะดุญยาเราเจอเยอะแยะที่ว่าพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากปากจะเป็นสีหรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยในดุลยา ดูกันเยอะแล้วแต่ตอนนี้ในถานะมุสลิมครับเรานำเสนอข้อมูลวิชาการของมุสลิมว่านี่คือส่วนที่เราต้องระวังครับพี่น้องที่รักยิงครับผมครับพี่น้องที่รักยิงครับเรามาดูถึงหายนะของลิ้นอันที่3หายนะของลิ้นอันที่สามอันนี้หนักที่สุดหนักที่สุดอันแรกเราบอกว่าไงนะครับพูด ถึงเรื่องไม่ดีของคนอื่นในสิ่งที่เขาไม่ชอบอันที่สองพูดสิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นที่มันไม่ใช่ความจริงอันที่สามใส่ร้ายใส่ร้ายนี่คือตั้งใจเลยคือเจ้าตัวเนี่ยรู้ว่ามันเป็นเรื่องโกหกเขาเพิ่งคิดมาแต่ว่าเขาอยากจะทำร้ายเกียรติยศเขาคือความหนักมันเลยต่างกันหนักแค่ไหนครับพี่น้องที่รักเมื่อกี้เราบอกว่าไงนะ พูดเรื่องที่คนอื่นไม่ชอบเนี่ยเป็นบาปใหญ่พูดเรื่องที่คนอื่นไม่ชอบแล้วมันเป็นเรื่องโกหกอีกตั้งหากเนี่ยถูกลงโทษในหลุมฝังศพแล้วก็ในไฟนรกหนักอันสุดท้ายครับถูกลงโทษตั้งแต่ในดุนยาเลยการใส่ร้ายการใส่ร้ายนี่คือหนักที่สุดครับโซล ก, า, กาวในกุรานครับซูระ อ, อันนูรครับ อินนั้นที่นั่นยูพับบุนอันต a ชีอัลฟาฮิชาต้าฟิลที่นั่นอัมานุลัมม์อาดับอัลีมฟิตุนยาวัลอาคระวะลลาฮูยัลโมนัทุมลาตัลโมนิสราณุเอเยติสิบเก้าครับหัวข้อสมัยฮะตราดี้ตรงกล่าวเอาไว้ครับได้ตัดเอาไว้ครับว่าแน่นอนบรรดาผู้ที่เคารพชอบให้เกิดความเสียหายในกลุ่มผู้ศรัทธาอันต์ชีอัลฟาฮิชาต้าก็คือสร้าง ความแตกแยกในกลุ่มผู้ศรัทธาก็คือไปสร้างเรื่องโกหกไปสร้างการใส่ร้ายไปทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามอัลลอฮ์กล่าวว่าละหุมอัลจาบุลฟิดดุนยาสำหรับพวกเขานั้นจะได้รับการลงโทษอัลจาบุลอาลีมการลงโทษที th th ่เจ็บแสบฟิดดุนยาวัะอัคคราะ์ทั้งในดุนยาตั้งแต่มีชีวิตในดุนยากับอาคคราะพี่น้องไม่ต้องดูอะไรมากครับดูอย่างกลุ่มคนที่ว่าชอบด่าว่าแม่ของผู้ศรัทธาสาบแช่งภรรยานับียสาบแช่งบรรดาสหายอักคลาะสาวกของอบี ทุกปีเขาถูกลงโทษด้วยตัวเองถูกไหมครับเอาแสมาฟาตตัวเองเอาขอมาเกี่ยวตัวเองมากีดให้เลือดนองบางคนเสียชีวิตถูกลงโทษตั้งแต่ดุนยาเห็นเเลยไม่ต้องรออะไรลงโทษที่ตัวเองด้วยเราคิดดูมีมีคนที่ไม่รู้เดียงสาขนาดนี้เลยเหรอตัวเองกำลังถูกลงโทษทั้งในดุนยาแล้วก็ที่ว่าพิมารล้อก่าวก็คือดุนยาแล้วก็ยาวไปถึงอาคิรอคือทั้งดุนยาทั้งโลกหลังความตายแล้วก็ในวันเกียวไหมนะอุซิบิไลมินซาลิกครับพี่น้อง มันไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับในเรื่องของคําพูดในเรื่องของนิเนเพราะในยุคของสื่อที่มันแพร่กระจายไปไกลแล้วก็เร็วแล้วก็ง่ายปัจจุบันคนหลายคนครับบางคนไม่แก่เอามือถือให้คนอื่นดูเพราะกลัวคนอื่นดูปุ๊บเดี๋ยวจะเห็นว่าไปพูดนินทารับหลังอะไรใครไว้บ้างดุนยาก็ไม่สบายใจแล้วเพราะอะไรครับเพราะทําสิ่งที่ ตัวเองนั้นก็รู้สึกแย่ซึ่งท่านนบีผั้ศรัทธาพูดไว้ครับว่าสิ่งที่เป็นผิดบาปคือสิ่งที่เราทำแล้วไม่อยากให้ใครรู้รู้สึกแย่ในใจแล้วก็ไม่อยากให้ใครรู้ถือเป็นการเตือนกันนะพี่น้องที่รักครับคือผมรักพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วผมก็รักตัวผมเองเดียวผมก็พยายามระวังสามอย่างนี้การพูดสิ่งที่ว่า พี่น้องไม่ชอบหรือว่าการพูดสิ่งที่มันไม่เป็นความจริงหรือว่าการใส่ร้าย3มอย่างมุสลิมเราต้องระวังกันให้ดีครับแล้วก็ท่านละบีมุสลิมได้บอกไว้ครับเมื่อมาเป็นบาปใหญ่ขนาดเนี้ยใครที่สามารถให้การปกป้องสิทธิเกียรติยศของพี่น้องได้ฝ่ายที่ไม่ผิดคนที่ถูกใส่ร้ายเราไปช่วยความปกป้องเขาเอาลัลลอฮ์ก็จะเมตตาเขามากเท่าทวีคูณ ท่านนบีมสลิมได้พูดไว้ในบึกขอย ม, มัมติสมีดีครับซึ่งเป็นฮาดิษที่ฮัสซันครับผมมันรดดะอันเอิดดี๋ยีฮีรดดะละหูอันวะชินน่าเรายะมุกยามาใครก็ตามที่ช่วยปกป้องเกียรติยศของพี่น้องของเขาคือมีคนมาทำลายเกียรติยศมีคนมาหย่ามีคนมาทำร้ายมีคนมาใส่ร้า ย, ายมีคนมาพูดรับหลังมีคนมาพูดรับหลังในสิ่งที่มันไม่จริง ซาแนบีมัสลลอยสลัมบอกว่าใครก็ตามที่ช่วยปกป้องสิทธิของพี่น้องของเขาอัลลอฮ์จะช่วยปกป้องเขาให้รอดพ้นจากไฟนรกสุบฮานอัลลอฮ์สุบฮานอ AH. ัลลอฮ์นี่คือความยิ่งใหญ่แล้วก็ความเมตตาของอัลลอฮ์ครับในเรื่องของลินที่พูดมาทั้งสาอย่างเนี่ยรวมอยู่ในยะ ก, กรานยยสลฮุมมาซาที่เราพูดคุยกันไปแล้วไวลุ ลิกุลิฮูมาเซตินลูมาซาพวลเราใช้คำว่ า, วาความหายาณะจะเกิดขึ้นกับคนที่ว่ายุยงแต่แคงรั่วที่สร้างความหายาณะขึ้นบนหุ่นแปรนิ่งพวกเราใช้คำว่าไวรุนความหายนะเกิดขึ้นเลยก็แปลว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราควรจะรอเล่นไม่ใช่เรื่องที่ว่าเราควรจะเพิกเฉยซึ่งผมก็ขอฝากพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับว่าช่วยๆกันระวังตัวพยายามมีสติแล้วก็พยายามที่จะเตือนกันอย่าให้ไปผิดพลาดในเรื่องอันตรายเหล่านี้ ต่อไปครับหายนะที่สี่หายนะที่สี่ครับผมผมกําลังคํานวณดูว่าเวลาจะทันหรือเปล่านะครับผมเรามีห้หายนะพี่น้องจะว่าไงครับถ้าเกิดเราเราหยุดกันที่หายนะที่สามนี้เพราะผมกลัวว่าหายนะที่สี่คงจะต้องใช้เวลานิดหน่อยครับผมช่วงเวลาที่รอคําตอบจากพี่น้องที่รักผมขอแวะมาดูข้อความนะครับผมก็มีพี่น้องครับใช้ชื่อว่าซิมโคนะครับผมก็สละา ม, มานะครับแล้วก็บอกว่า ่มีครอบครัวเด็กกำพร้าที่ว่าเดือดร้อนนะครับผมก็ <c oughs> ใครที่อยากจะให้ความช่วยเหลืออันนี้ก็ลองอติดต่อเขาลองสอบถามข้อเท็จจริงอะไรยังไงนะครับเพราะว่าอถ้าเป็นคนจริงมันก็สมควรที่ว่าใครช่วยอะไรได้ก็ช่วยคนนี้คนละไม้คนละมือเพราะท่านอบดุลเบียสรับอกว่าหนึ่งในสิ่งที่ร้อยรักมากที่สุดก็คือการที่เรานั้นช่วยยังประโยชน์ให้กับพี่น้องของเรานะครับผมแต่ก็คือก็ต้องคอนเฟิร์มกันผมไม่ได้คอนเฟิร์มว่าถูกหรือผิดข่าวจริงข่าวไม่จริงก็ ตรวจสอบกันถ้าเห็นว่าเป็นสิ่งที่จริงแล้วก็มีความสามารถช่วยเหลือก็ช่วยเหลือกันครับเขาฝากจยากุมุล็อคคารันมาแล้วก็ไว้อายากุมนะครับผมอันนี้พิมพ์ไว้ของเมื่อสีห้าวันที่แล้วก็ขอล็อตตอบรับการอย่างที่ดีแล้วก็ขอดูอามาค่อนข้างจะยาวก็ไว้อายากุมครับผมคุณวัชรินกันทวงครับผมเพื่อนอีก อีกท่านนึงนะครับเพื่อเลื้ผมอีกท่านนึงก็สละ ม, มาก็วายกุมซาลามรับตัวลอว่าบารกาตูไม่เคยได้พูดคุยกันแต่ก็มาเจอกันทางไลฟ์เนี่ยนะครับผมอยู่แม่ริมนะครับขอรอเมตตาครับผมอาครับพี่นังที่รักยิ่งครับงั้นผมว่าผมผมกลัวว่าหัวข้อต่อไปเนี่ยจะยาวเกินไปแล้วจะไม่สามารถจบในเวลาของเราได้วันนี้เราอาจจะคุยกัน3หัวข้อก่อนก็คือหายนะที่เกิดจากลิ้น ทั้งสประการแล้วก็ผมติดกับพี่น้องอีก2ข้อนะเรามาคุยกันครั้งหน้าแล้วก็เรามาคุยกันถึงข้อดีของลิ้นคือเราคุยถึงไหายนะมารู้สึกเครียดแล้วก็มาดูว่าลิ้นของเรานะ่ยมันสามารถยังประโยชน์ได้มากมายมหาศาลเช่นเดียวกันในขณะที่ว่ามันนั้นสามารถทําอันตรายกับเราได้อย่างมหาศาลครับก็ขอฝากวันนี้นะครับก็สรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือระวังในเรื่องของลิ้นที่มันไม่เน่าของเราเนี่ยครับ มันอาจจะเป็นเหตุที่ว่าทําให้เราต้องเสียใจตลอดชีวิตเหมือนกับ hari ซึ่ท่านอับดุลลาห์ของอัลลอฮ์สุลลามได้เตือนบรรดาซอราฮะบะเอาไว้เมื่อตอนที่ท่านเจอบรรดาซาร์ฮะบะท่านอบีก็ถามว่าบุคคลล้มละลายสําหรับพวกท่านเนี่ยพวกท่านคิดว่าเขาเป็นบุคคลประเภทไหนกันอัลมุฟริสใครเป็นบุคคลล้มละลายสำหรับท่านซาราฮะบะก็พูดเหมือนกับที่เราเข้าใจครับในดุนยาเนี่ยบุคคลล้มละลายก็คือคนที่ไม่เหลือทรัพย์สินอะไรเลยสิ้นเนื้อประดาตัวคือโดนอายัดทรัพย์โดนอะไรก็ตามแต่ ท่านอับดุลเบี๋ยมสุลต่านของอาเลสซานด์บอกว่านั่นยังไม่ใช่บุคคลล้มละลายที่แท้จริงคือนั่นมันแค่ดุนยายังลุกขึ้นมาได้อยู่แลยจะพาบว่าจะมีข่าวบางท่านที่ว่าโดนทดสอบที่ว่าต้องล้มละลายแต่ก็สามารถกลับมายืนหยัดได้อีกครั้งหนึ่งก็ยังสามารถลืมตา อ, อ้าปากได้เป็นไปได้ว่าจะมีครับแต่บุคคลล้มลลายที่แท้จริงคือไปล้มละลายโลกหน้าท่านอับดุลเบี๋ยมสุลต่าบอกว่าคือคนที่เขานั้นมีการงานมากมายละมัด ใจสกาดถือสินอดทำฮัตทาความดีมากมายมหาศาลครับผมแต่ตอนมีชีวิตยอยู่เนี่ยเขาไปด่าว่าคนนั้นเขาไปใส่ร้ายคนนี้เขาไปพูดทําลายเกียรติยศคนนั้นไปจอลิ่งคนนี้ถึงเวลาโลกหน้าครับเจ้าทุกก็จะด่าหน้ามาแล้วก็บอกกับล้อยาวล้อเนี่ยพวกคนคนเนี่ยเขาอาทําต่อฉันเอาล้อช่วยฉันด้วยเอาล้อก็จะเาความดีของคนคนนั้นนะครับที่ว่ามากมายเนี่ยเอาไปแจกให้กับเจ้าทุกข์าคนนี้เจ้าทุกคนนั้นเจ้าทุกคนนี้เจ้าทุกเอาให้หมดเลย จนความดีหมดเกี้ยงแต่เจ้าทุกข์ยังไม่หมดพอเรื่องบางเรื่องอย่างพี่น้องอย่างยุคปัจจุบันนะครับถ้าพี่น้องแชร์อะไรที่ว่าเป็นเรื่องโกหกแล้วคนไปถึง1000คนนั่นคือบาป1000เท่าที่เราต้องแบกในโอโซบินลาเมนดาลิกถ้าร้อยคนก็ร้อยเท่าถ้ายิ่งเป็นเจ้าของสถานที่ยินดีให้มีการจัดเพื่อทําสิ่งที่เป็นฟิตนาประเภทนี้แบกนับปิดไม่รู้อีกเท่าไหร่ครับโอโบินลาเมนดาลิกท่านบีว่าจนกระทั่งเมื่อความดีของเขาหมดแต่เจ้าทุกข์ยังเหลืออยู่ พวกลอสก็จะเอาสิ่งที่ไม่ดีบาปของเจ้าทุกมายัดใส่เขาแล้วผลสุดท้ายเขาต้องลงนรกทั้งๆที่เขามีการงานความดีมากมายนั่นคือบุคคลล้มละลายที่ผมขอด้วยจากอัลลอฮฺอยาให้ผมเป็นคนคนนั้นแล้วก็อย่าให้พี่น้องที่ผมรักทุกท่านนั้นเป็นคนคนนั้นเลยครับผมใครที่ผิดพลาดไปแล้วก็ขอตาบ้าขอ่มาอัฟซ ะ, พ, ะพยายามทําสิ่งที่ดีซะแล้วก็หวังว่าอัลลอฮฺนั้นจะเมตตาเราครับผมระวังนะพี่น้องเรื่องของลิ้นครับผม มันไม่เน่าแต่มันอาจจะทําให้เราเน่าได้นะครับผมสำหรับวันนี้ครับก็พูดคุยกันแต่เพียงเท่านี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับขอด้อาจากห้องร้อยเราเป็นกลุ่มชนที่ได้รับฟังทางนํานะครับแล้วก็มองเห็นสัจธรรมแล้วก็ขอให้เรานั้นรู้เห็นว่าอะไรเป็นสิ่งที่ผิดแล้วเราก็สามารถออกห่างจากมันแล้วก็เห็นว่าอะไรเป็นสิ่งที่ถูกแล้วก็สามารถทํามันได้อย่างเต็มที่ขอให้เรานั้นเป็นหนึ่งในกลุ่มชนที่รอดพ้นจากการที่ลิ้นนั้นทําให้เราหายนะเกิดความหายนะไม่ว่าจะเด้วยกับการบริโภค หรือว่าไม่ว่าจะด้ยวยกับการพูดอะไรไปขอให้ความผิดพลาด ท, ที่เรามีนั้นขอรอนั้นให้ไภโทษต่อเราขอรอนั้นให้คุณงามความดีแก่คนที่เรานั้นเคยไปล่วงเกินแก่เขาขอรอนั้นให้ไปโทษแต่คนที่เราต่อคนที่เรานั้นได้เคยไปซาเล่ปะทาเขาอาจจะไปพูดทั้งที่เรารู้หรือที่เราไม่รู้แล้วขอขออย่ารอนะั้นเมตตาพวกเราเมตตาคนที่เรารักแล้วก็เมตตาคนที่รักพวกเราครับแล้วก็ขอให้พวกเรานั้นอยู่ร่วมกับบุคคลที่ พวกเรานั้นรักยิ่งที่สุดก็คือท่ า, านบดุมฮัมมัดลาฮุฮิวะซัลลัมครับผมก็ผมพูดล่เกินอะไรผิดพลาดอะไรไปก็ขอพี่นับอมาอัพี่น้องที่รักทุกท่านด้วยคนด้วยนะครับผมอากกีฮะวซัลลอฮะลวะลกุมบิสัลิมุสลิมีมินุลดามิวะซัฟิรูอินุกฟูระฮมซุบฮนัลลาวะฮัมดิกะอัฮลลฮอิลลอลลอัลัก์ุลวะทุั